บทภาชนี1075สตรีมีลูกยังดื่มนมพิษุนีสำคัญว่ามีลูกยังดื่มนมบวชให้ต้องอบัตปภาจิตีสตรีมีลูกยังดื่มนมพิษุนีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกตสตรีมีลูกยังดื่มนมพิษุนีสำคัญว่าไม่มีลูกยังดื่มนมบวชให้ไม่ต้องอบัตสตรีไม่มีลูกยังดื่มนมพิชชณี สำคัญว่ามีลูกยังดื่มนมบวชให้ต้องอบัตทุกกฎสตรีไม่มีลูกยังดื่มนมภิกษุณีแม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัตทุกกฎสตรีไม่มีลูกยังดื่มนมภิกษุณีสําคัญว่าไม่มีลูกยังดื่มนมบวชให้ไม่ต้องอบัต